กกรพระกาพระคุณเจ้าที่ก ร, รบแล้วก็ขอคารวะท่านประธานท่านอาจารย์ดเตอร์สนองเวลาอุไรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดงานแล้วก็สมาชิกชาวชมรมกัลยาณธรรมทุกทุกท่าน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 มีความหมายมากสำหรับทุกชีวิตเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถป้องกันความทุกข์ได้จะรูว่าเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทีเดียวเป็นต้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ความรู้สึกตัว สามารถที่จัดการกับความทุกข์ที่ต้นเหตุคือทำลายโมหะหรือความหลงความรู้สึกตัวทั่ว่าเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่รัดสั้นหรือว่าเป็นใบไม้กับมือเดียวก็ได้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 อย่าไปนสนใจสิ่งภายนอกถ้าจะสนใจเรื่องดับทุกข์แล้วก็ตัวเรานี่แหละเป็นสนามรบเป็นเวทีที่จะเอาชนะกิเลสแล้วก็พ้นทุกข์ได้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันลัดสั้นเพียงแค่เนี้ยเพียงแต่ว่าเราหมัน่น เห็นประโยชน์ของความรู้สึกตัวมากๆเราจะเข้าใจเพียงแต่เรามีสติรู้ลงไปที่กายที่ใจเราสติคือความรู้สึกตัวคือกายคือจิตที่เรายึดติดยึดมั่นว่าเป็นตัวเราอยู่นี่แหละเห็นเป็นสองคำเลยความรู้สึกคือสติและก็ตัวคือกายคือจิต มันไม่ไปกายจากสิ <sequences> hmm. <nessa> ่งเหล่านี้หรอกเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้สึกกายเคลื่อนไหวคลาใดให้รู้สึกจะเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกยืนก็รู้สึก <Yeah. S 2> นอนก็รู้สึกจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ตามเนี่ยเ <Yeah. S 2> พียงเติมความรู้สึกไปเท่านั้นเองเนี่ย <Yeah. S 2> มันก็จบลงตรงนั้นอะ่ะไม่มีอะไรมากไม่มีการปรุงแต่งอะไรทิ้งสิน้น yeah. จะดื่มก็รู้สึกจะเคี้ยวก็รู้สึกกระพริบตารู้สึกกลืนน้าลายลงไปในลาคอก็ให้รู้สึกตัว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 ลงที่ความคิดนั่นแหละอย่าลืมรู้สึกมันหลงมันเผลอไปหรือลืมรู้สึกตัวก็ไม่เป็นไรก็รู้ใหม่นบางคนบอกว่าแหมเราหลงบ่อยเหลือเกินหลงนานด้วยก็ไม่เห็นแปลกเรื่องหลงเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อหลงเราก็กลับมารู้สึกตัวเอาใหม่มันผ่านไปแล้ว ความหลงไปอดีตไปแล้วก็เลืสุกตัวอันใหม่สิเนี่ยของใหม่มันย่อมดีกว่าของเก่าใช่ไหมล่ะนี่นั้นอย่าไปยุ่งเหยียดกัสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วนรู้ใหม่รู้ใหม่เนี่ยมันเป็นชีวิตใหม่ชีวิตเราจะใหม่ทุกขณะนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นคือจิตที่รู้สึกเนี่ยมันใหม่ที่สุดเลยเนเป็นปัจจุบันที่สุดเลยเพราะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตใหม่เนี่ยก็รู้สึกใหม่ แล้วก็แร้กันไปอย่าไปเสียเวลากับสิ่งชีวิตผ่านไปแล้วนะก็เริ่มต้นรู้สึกใหม่นั่นคือชีวิตใหม่หลงลืมได้ลืมได้ก็รู้ได้เหมือนกัน <c oughs> มันเป็นเรื่องไม่ยากนะอย่าไปมองเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะก็รู้สึกตัวใหม่เนี่ยก็เราทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเมื่อกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึก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 ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวเกิดขึ้นปับ๊บเนี่ยคอยดูเถอะวันนั้นทั้งวันเนี่ยจิตเราจะผ่องใสสติจะคลอเ ค, คลียอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าตื่นมาปับ๊บความคิดกังวลล่วงหน้าล้วก็วันนั้นเราก็ไม่ค่อยผ่องใสอะ่ะลอทั้งวันนั้นรืมตารู้สักตัวขึ้นมาได้แล้วก็เป็นชีวิตใหม่ทันทีเลยเนะตามรู้ไปเลยทั้งวันรู้ได้ มันหลงลืมไปก็รู้ใหม่ลืมแล้วก็รู้ใหม่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราทาได้ทั้งนั้นจงกระทั่งหลับไปก็เลิกเวลาหลับก็หลับไปแล้วก็แล้วกันไปเนีบางคนบอกว่าไอ้เวลาหลับเนี่ยเร า, ารู้สึกตัวเลยน ะ, นะเวลาฝันก็รู้สึกตัว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 แล้วตื่นขมาก็รู้สึกตัวใหม่ก็แค่นั้นนะ่ะเนี่ยถ้าเราสามารถเจริญความรู้สึกเนี่ยต่อนเนื่องไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยนะสม่ำเสมอมันหลงไปแนละ้วกลับมารู้ใหม่เน ย, เนยทั้งวันเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินของจิตที่จะง่ายที่จะรู้สึกตัวมันยากที่จะหลงลืมตัวเสร็จแล้ว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 มันง่ายเลยเพียงแค่เนี้ทีนี้คําว่ารู้สึกเนี่ยมันลึกซึ้งมากมันไม่ลึกแค่ไหนหรอกมันลึกอยู่ในจิต ใ, ใจเราเนี่ยคําว่ารู้สึกรู้สึกเนี่ยขอยรู้สึกล้วนๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องว่าอะไรที่ซ้ำไป ไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้รู้สึกรู้เฉยๆเป็นสัมผัสแรกของชีวิตนะเนี่ยสัมผัสแรกของจิตใจเลยคือรู้สึกล้วนๆไม่ต้องคิดอะไรนั่นลหละ ความรู้สึกนะั้นคือสติสัมปชัญญะละบางท่านอาจจะมีการปฏิบัติแบบมีคำบริกรรมข็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าหนอหรือพุโทโธหรืออะไรก็ตามนะปะปะทะนะโมพุทธายะก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ห้าม นั่นเป็นสัมผัสต่อไปสัมผัสแรกคือรู้สึกแล้วค่อยมีคำบริกรรมนะนะรู้สึกเป็นสัมผัสแรกนี่เป็นตัวปรมัตธรรมคำบริกรรมก็คือสมมุติบัญญัติที่เราใส่เข้ามาเพื่อช่วยให้สติมันเกิดได้ง่ายเอเมนะไหเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกอตมเทศนา ให้ปัญจวัคคีฟังประเทศเสร็จปั๊บอัญญากนธัญญะเป็นโสดาถ้าบอกว่าอะไรนะอัญญากนธัญญะรู้แล้วหนอเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้ก่อนแล้วค่อยหนอที่หลังรู้สึกตัวก่อน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 คือรู้สึกล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นปัจจุบันที่สุดเลยนะเมื่อรู้สึกแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปยึดครองความรู้สึกเอาไว้นะไม่ใช่เราหรอกรู้สึกแล้วปล่อยให้มันผ่านไปนะทั้งความรู้สึกและก็สิ่งที่รู้สึก ปล่อยให้ผ่านไปทั้งหมดเลยมันจะไม่มีตัวเราอยู่ในความรู้สึกหรอก mm hmm. ถ้าไปเกาะกลุมยึดครองเอาไว้เนี่ยเราก็จะมีตัวตน ท, ที่รู้สึกมันก็พลาดจากความรู้สึกตัวไปมันเข้าไม่ถึง <sho ved S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกรู้สึกล้วนๆให้ต่อนเนื่องไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยบริสุทธ์ รายการปรุงแต่งความปลอดโปร่งโล่งเบาเน้เบาอกเบาใจสบายใจคลายเครียดทุกไม่เกิดตอนนั้นมันอีในจิตใจเราทันทีเลยนะนะนะรู้สึกล้วนสักพักเดียวเนี่ยจิตเราจะผ่อนคลายเพราะไม่มีการปรุงแต่งที่จิตเรามันเครียดมันทุกข์เพราะว่ามันมีแต่การปรุงแต่งในจิตใจ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 ไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่ผ่านมาก็ฝ่ายให้ผ่านไปความคิดปรุงแต่งผ่านมาคือการเกิดของเขาและความคิดปรุงแต่งก็ผ่านไปคือการดับของเขาชั่วขณะจิตหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นปัญญานะมันจะเห็นเลย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 ที่คิดว่ามันมีตัวตนอยู่นั้นก็คือมันคิดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆดับและคิดขึ้นมาใหม Styles, ่ bin, igne, cousin, เรื่อยๆเช่นเดียวความมันรู้สึกเหมือนกันมันก็ไม่คงที่เมื่อรู้แล้วมันก็หลงลืมได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนกันทั้งในความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ถูกรู้สึกก็คือต้องอยู่ดับไปเนี่ยเาเรียกว่าเป็นอนัตตาแห่งธรรม บังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยนะเนี่ยรู้สึกลุ้นๆแค่นี้โอ้มันมีอนุภาพมากมายแต่ถ้าเราเผลอสตินะมนเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกแล้วปล่อยมันผ่านไปเนี่ยไปตามดูมันนะระวังให้ดีความคิดมันจะดูดก็ไปดูดเข้าไปคิดจิตใจพลัดหลงไปอยู่ในความคิดปรุงแต่งมันก็พลาด เข้าไปถึงความรู้สึกตัวพอรู้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่าไปยุ่งปล่อยมันผ่านไปถ้ามีฐานการจรสติก็กลับมานะรู้กลายเคลื่อนไหวรู้อิริยาบถต่างๆนั่นแหละมีฐานให้จิตมันตั้งได้เนะีนะ่ยนะเป็นการปฏิบัติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะ วิธีการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเราก็รู้สึกตัวในท่ามกลางก็รู้สึกตัวผลสุดท้ายก็ต้องรู้สึกตัวเท่านั้นเองสามคำรู้สึกตัวหนึ่งเดียวเนี่ยตลอดการปฏิบัติความรู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ขณะที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยศีลเราก็บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์เพราะาขาดความรู้สึกตัวก็ผิดศีลขณะที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยสมาธิก็ตั้งมัน่น ช, ช, ชักนำเอาปัญญามาก็มีในความรู้สึกตัวทั้งนั้นคือตัวปัญญารู้แจ้งจริง ก, กับตัวเราจะว่าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งมรรคทั้งผล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 ไม่ต้องไปสร้างมาอยู่แล้วเพียงแต่เราทำความรู้จักกับเขาโดยการรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวเนี่ยเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายอยู่เหนือกรรมพ้นกรรมได้ด้วยความรู้สึกตัวจะรู้ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ เป็นวิวัตตะคามินีปฏิปทาเนี่ยคือการปฏิวัติที่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสรงสารก็คือความรู้สึกตัวเป็นยอดบุญเหนือทุกเนซึ่งเราจะต้องสนใจเข้าให้ถึงนะก็อยากจะ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 อยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวชีวิตของความพิการอยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวจริงๆเมื่อตอนที่ประสบวบัติเหตุใหม่ๆเป็นอดีตที่ล้าลึกขอเล่าสักหน่อย16ปีของความทนทุกข์ทรมานยอมทุกยอมทน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 การรู้แจ้งนั้นจะเกิดจากการทำความเข้าใจของเราอย่างเดียวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสี่วกปีเอาการสนใจกับธรรมะโดยการอ่านการฟังเนี่ยมันช่วยเราได้ไม่มากเลยนะทำให้ใจเราเนี่ยผ่อนคลายลงบ้างแต่ทุกข์มันยังเกาะ ก, กินใจอยู่เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยได้แต่อ่านไ ด, ได้ฟัง รับรองเลยเลยว่าถ้าหากว่าเราสามารถฟังธรรมะอ่านธรรมะทำความเข้าใจธรรมะด้วยการคิดดึกเอาเนี่ยสามารถทําให้เราหลุดพ้นได้แล้วก็ผมหลุดพ้นเป็นานแล้วสิบหกปีกับการศึกษาโดยการอ่านการฟังการคิดมันก็ยังมีจิตใจที่คิดฟุ้งซ่านอยู่ ยังมีตัวเราเป็นผู้พิการเรายังเป็นทุกข์อยู่ทำไงจึงจะพ้นทุกข์ได้มันคิดคิดคิดมากเนี่ย <c oughs> ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายป่วยนานๆ <c oughs> ชีวิตอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วมันจะ expire อยู่แล้ว <c oughs> ช่วงสุดท้ายของชีวิตกันจะหมดอายุแล้วป่วอยู่เป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบเนี้ยอาการความคิดปรุงแต่งคนที่สิ้นหวังอย่างที่ญาติธรรมอาจจะมีหลายท่านที่ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่ป่วยมานานจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทเนี้ย จะสังเกต ด, ดูนะจิตใจของคนสิ้นหวังเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันดับแรกคือเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดเห็นไม่มหงุดหงิดลำคาญใจเป็นคนที่เจ้าอารมณ์คําว่าเจ้าอารมณ์นี่ไม่ใช่อยู่เหนืออารมณ์นะเ <c oughs> หนืออารมณ์นี่เจ้าอารมณ์คือสามารถควบคบุคบอารมณ์ได้แต่เจ้าอารมณ์นี่คือถูกอารมณ์นี่ครอบงําเรียบร้อยแล้วชอบคิดโกรธง่ายหงุดหงิดง่าย จิตใจไม่ปกติวันไหวเปราะบางในเรื่องของอารมณ์อยากเรียกเจ้าอารมณ์อย่าผมก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนนะเป็นงนั้นมาก่อนเลยทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยมันเกิดมาจากใจิตใจผมทั้งนั้นอะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือแขกรายวันคือความเหงา <c oughs> เป็นแขกรายวันแขกหน้าเก่าๆ เ, เวียนมาหาเราอยู่เรื่อยมันเหงาชีวิตมันเหงา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 <house> เข้าไปในตัวมันอีกนะความคิดคือปัญหาแล้วก็ท้างการแก้ปัญหาก็คือความคิดคิดซ้อนคิดดับเบิลคิดอัฟเตอร์คิดชีวิตเลยเหี่ยวแห้งอยู่กับความคิดอย่างนั้นพอคิดนานว <the> ันนานวันเข้าเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อยเห็ดเหนื่อยจิตใจเราไม่ได้ไปไหนนะนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้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 ด้วยใช้ธรรมะที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเลยแต่มีอยู่แล้วในเนื้อในตัวเราคุณพ่อคุณแม่ให้มาคือความอดทนอดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้อันนี้อันดับแรกที่เรามาใช้เลยคือความอดทนไอ้ความอดทนนี่มันดีนะถ้าเรามีความอดทนเนี่ย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 ไม่คื่องการอดทนเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมันก็อยู่กับความอดทนได้โดยที่ไม่คิดว่าเราทนนานนานวันข้าก็เกิดความเคยชินไปเองในความอดทนนั้นๆยังไม่พอนะอาศัยทําไหมข้อหนึ่งคือการยอมรับความจรงิงอดทนแล้วก็เพื่อการตั้งหลักและยอมรับความจรงิงยอมรับความจริงนะก็เราเป็นอย่างนี้อ่ะ การยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายา ท, ทั้งจิตใจทั้งจิตใจเราตั้งหลักได้รู้จักยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเป็นจริงสะ บ, บ้างเนี่ยก็เลยหลุดจากภาวะนั้นมาได้ยังอยู่ได้16หปีพอเข้าปีที่ส7บเจดพศสองรอสามส่ะเราควรจะปฏิบัติธรรมจริง อุ่นเครื่องมานานแล้วทุกก็ไม่ทับเนี่ยอ่านหนังสือมานานปฏิบัติธรรมก็เลยหันเหชื้อเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านแนะนำการจารัสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลงวัฒเทียนเนี่ยแหละคือการมาทำความรู้สึกตัวแบบเคลื่อไนไหวก็นอนปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยผมเริ่มต้นจากที่บ้านนะ เริ่ม ต, นต้นจากความเป็นฆราวาสธรรมดาเนี่ยไม่ได้ไ ป, ดวดไปบวชที่ไหนหรอกเนี่ยเป็นฆราวาดเป็นโยมธรรมดาได้แหละนะ่ั้นทุกท่านที่บางคนบอกว่านี่เราคงเป็นโยมไม่ได้บวชไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไปเข้ากับกลุ่มไปด้วยที่ไหนไม่เป็นไรนะเนี่ยผมเริ่มต้นที่บ้าน mm ทุกท่านเนี่ยเริ่มที่บ้านได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปบวชหรือไปแล้วเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเริ่มต้น เริ่มต้นจรรติแบบเคลื่อนไหวคือการทำความรู้สึกตัวแต่การปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายที่เราคิดหรอกผมคิดว่ามันทำได้ว่าเรารู้แล้วเนี่ยเรามีตำราอุปสรรคของคนที่สภาพร่างกายไม่ปกติเนี่ยปฏิบัติทำเนี่ยมันลำบากมากแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ทำได้ แม้แต่ร่างกายพิการก็ปฏิบัติทำได้ความพิการไม่ใช่อุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมหรือการทำความรู้สึกตัวเลยอุปสรรคใหญ่ของการปฏิบัติสภาพเราก็คือไอ้ความอยากเนะี่ยความอยากบรรลุผลให้มันไม่ไวเนะี่ยความอยากบรรลุผลอย่างแรงกล้าทำให้จิตมันดิ้นรนฟุ้งซ่านมันก็คิดฟุ้งซ่านมากในความอยากเนะี่ย อยากหลุดพ้นอยากค้นทุกเห็นไหมเพราะความอยากเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะมันไม่ดีนะอยากหลุดพ้นเนี่ยไม่ได้การปรุงแต่งไม่ได้ความสงสัยก็คิดฟุ้งซ่านไปอย่างเนี่ยเริ่มต้นก็คิดฟุ้งซ่านด้วยความอยากแล้วขณะนอนทําความรู้สึกแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึก รู้สึกตัวลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวคือส่วนของมือเนี่ยเี่ยพลิกไปก็รู้สึกพลิกมาก็รู้สึกทําความรู้สึกตัวแบบการเคลื่อนไหวของมือที่มันขยับไปขยับมารู้สึกอย่างนั้นมันก็เอาชนะความคิดไม่ได้เมื่อมันไม่คิดมันก็ง่วงที่แล้วบทเรานี่มันคือเหมาะกับการง่วงว่าต้องนอนปฏิบัติมาก่อนเพรามีแค่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 ปริาบทที่มันไม่สมบูรส์อย่างเงี้ยอาศัยการมันเพ่งนะเริ่มต้นรู้กายขึ้นมามันต้องเพ่งนิสัยจิตเรามันต้องเพ่งถ้าไม่เพ่งจิตมันไม่รวมเพ่งเพื่อให้มันรวมให้มันมีสมาธิไม่เพ่งจิตมันก็เลื่อนลอยเพราะคนมันมีความคิดมากเจริญในความคิดมามากพอมาเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องอาศัยการเพ่ง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 มันก็พลางจิตออกจากความคิดมาอยู่ความเพ่งชั่วขณะหนี้พอเพ่งนานๆเนี่ยมันก็เครียดใช่ไโอ้นี่มันเป็นกรรมของจิตเนาะมันชอบเพ่งมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะพอเริ่มปฏิบตัติกลัวจะเพ่งกลัวจะกำหนดเอาความกลัวเข้าไปในการปฏิบตัติมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรนะ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 โอเซอร์ตัวนี้ครับไม่ต้องใครถอดให้เรารู้เองอ๋อนี่เราใส่เสื้อครับเพื่อถอดเองเมื่อเพ่งเองก็คลายเองเนี่ยมัต้องเรียนรู้เรื่องนี้โดยการประสบการณ์าการปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันพิษจะพบทางถูกอถ้าไม่เพง่งจิตมันก็เลื่อนลอยไปสวิงไปในทางหลงซะแล้วเห็นไหมเออเอาจิตเผลอไปแล้วเอากลับมาเพง่ง พอเพ่งมันก็ตึงพอเผลอมันก็หย่อนมันก็ลอยนะไอ้การที่เพ่งบ้างหลงบ้างเพ่งบ้างเผ ล, บเลอบ้างเนี่ยมันเห็นตัวกลางโดยธรรมชาติของเราเลยนะจิตมาเป็นกลางไปเองเพราะเราเรียนรู้จากความผิดทั้งสองด้านจุดโต้นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งการทั้งทางหย่อนทางตึงทางตึงทา ง, งหย่อนเนี่ยจิตมันจะหาพบสายกลางเอาเองน <c oughs>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 ผมไม่ได้ทำง่ายๆเราก็กลำบากรมลูกคุกคลานกับการเจริญสติทำความรู้ตัวแบบเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยังไม่บรรลุธรรมหนึ่งเดือนแค่รู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นในหนึ่งเดือนอ้อมันรู้ได้ก็เพราะว่าจิตมันเป็นปกติ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 มันไม่เข้าไปจมไปแช่ไม่ไปทรงอยู่กับกายขึ้นไหวแนละ้วถ้ารู้ตัวเป็นเนี่ยมันจะตื่นออกมาคําว่าตื่นนี่คือไม่เข้าไปจมไม่ยึดครองกายมันวางกายสัพพลังเคสได้ทันทีเลยนะจิตมันคิดจะวางอยู่แล้วแต่วางไม่เป็นพอรู้ตัวปับ๊บมันวางกายเลยมันไม่ยึดติด ก, กับกายเลย เห็นกายสักแต่ว่ากายไม่สัตว์บุคคลตัวๆเราเขามันได้คำตอบออเมื่อรู้สึกตัวเราไปที่กายมันตื่นกายแล้วที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจมันตื่นตรงนี้เองตื่นคือไม่เข้าไปยึดติดออกมาออกมารู้นะไม่จะเข้าไปรัดแต่ออกมารู้ออกมาดูเลยนมันตื่นออกมาเลยเนี่ยมันแยกกายแยกจิต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 เมื่อรู้สึกตัวลงไปเนี่ยมันจะไปเห็นจิตที่มันคิดด้วยพอเห็นกายแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อแล้วใครเป็นผู้ที่รู้กายล่ะเอ้าจิตผู้รู้จิตทำหน้าที่รู้เห็นจิตทำงานแบบรู้สึกเอ้าจิตมันทำหน้าที่รู้นี่ไอ้ที่รู้ไม่ใช่เรารู้จิตมันรู้เนี่ยมันพลากมันพลากตัวตนออกจากจิตที่รู้นะจิตที่รู้ไม่ใช่เรารู้เป็นจิตที่มันรู้จิตทาหน้าที่รู้แล้วจิต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 เอาเวลาในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันให้หมดเบิกมาใช้ให้หมดรวมทั้งความสุขเที่ยวรอคอยในอนาคตด้วยเอามาใช้เสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะ<ม>พรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเรานะหมดเวลาในอนาคตความสุขในอนาคตไม่มีมารวมมาที่ปัจจุบันหมดและหนึ่งเดียวอยู่ที่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องสร้าง มันก็มีอยู่แล้วเพราะของมีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าความคิดปรุงแต่งเท่านั้นทําให้สิ่งนี้มันหายไปคือความรู้สึกตัวเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เรามีจุดเปลี่ยนนะคนทุกคนมีจุดเปลี่ยนหลายคนมีจุดยืนของชีวิตแล้วก็เปลี่ยนจุดยืนไปหลายหลายอย่างผมก็เปลี่ยนจุดยืนนะ ไม่มีจุดยืนมีแต่จุดนั่งจุดนอนชีวิตนี้ไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินจุดยืนจุดเดินไม่มีชีวิตมีจุดนั่งจุดนอนเนี่ยคือจุดนั่งเดีจะสักพักจะไปอยู่จุดนอนแล้วสองว่ไม่ต้องเดินก็ไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินวิ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องวิ่งน แล้วกพ็พอใจในความมีความเป็นของเราอย่างนี้แหละมองไม่เห็นความพิการมองไม่เห็นคนพิการเนี่ยกลัวมากเลยสวรรหนึ่งกลัวจะเผลอลุกขึ้นยืนแล้วพูดทำมากลัวมากเลยไม่เผลอไม่ลืมตัวนะลืมอะไรลืมได้ไม่ลืมตัวเผลอยืนขึ้นมานี่มันจะยุ่ง เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันชีวิตมันเดิน ม, มาอย่างนี้เลยนะมันก็สนุกนสนุกกับการใช้ชีวิตที่พิการหรือว่าการเขียนเนี่ยท่านสนุกป่วยผมในสิบมีครูก็สนุกพิการบ้างจะเป็นอะไรไป เรียนตามพ่อก่อตามครูสิทธิ์มีครูชีวิตมันไม่ต้องไปเดือดร้อนแบบนั้นหรอกก็อยู่กับปัจจุบันอยู่ ก, กับการชีวิตทำประโยชน์ไปเรื่อยชีวิตยอยู่ก็มีความหมายตายมันก็มีความหวังยิ่งรู้สึกตัวไปนานเนี่ย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 ใช้ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีเพราะตัวตนนี่ะคือตัวที่สร้างปัญหาเวลามีใครมีดินทาเราถ้ามีตัวเราเราเราก็ถูกดินทาเวลามีใครมาด่าเรากระเพาะมีเราเรายังถูกดา่า <c oughs> ความรู้สึกตัวเนี่ยมันสลายตัวเราไปเลยไม่มีมิต่สภาวะ เนี่เนี่ยชีวิตถ้าผมไม่มีความรู้สึกตัวจนปัจจุบันนี้นี่ชีวิตผมเนี่ยคงจะไม่ยืนยาวถึงวันนี้หรอกอยู่ไาตั้งสามสิบกว่าปีในสภาพร่างกายพิการด้วยอุปการละคนของความรู้สึกตัวนี่แหล ะ, ะมันคือที่พึ่งทางจิตเป็นที่พึ่งสุดท้าย นดีนะเนี่ยเพราะว่ายังคิดแล้วขนหัวลุกนะถ้าผมไม่อยู่ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้ผมต้องมีการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเป็นโรคจิตโรคประสาทคลุ้มคลั่ ง, งไปแล้วเพราะความคิดมันกินหัวเนี่ยลยขนหัวลุกเลยพรามคิดมันกินหัวพอมีความรู้สึกตัวเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ทุกอย่างก็จบลง ไม่ต้องกลัวอะไรนเะนี่ยอันนี้คืออุปการะคุณของเจ้าความสึกตัวนะจะนยอดบุญเนือทุกจริงๆเนะี่ยคือตัวนี้แหละที่จริงแล้วในสภาพร่างกายที่พิการที่มองเห็นเนี่ยผมมองไม่เห็นในความพิการในคนพิการเห็นแต่ความไม่สะดวกเห็นแต่ความไม่สะดวก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 ต้องกินเดิมพันนี่ได้เดิมพันมันสูงอ่ะไอะความไม่ทุกเนี่ยเป็นเดิมปฏิบตัติต่อไปเทเลสตต่อไปทําความรู้ตัวต่อไปเพื่อจะกินเดิมพันของความไม่ทุกนะกายไม่หายใจมันไม่ทุกกายป่วยไข้ใจไม่ทุกเรื่องของความไม่ทุกทางใจทางนั้นอ่ะเรื่องของกายเรื่องของสิ่งไม่น่าไปเรื่องของเขาถ้าเรา ทำใจยอมรับเนี่ยมันง่ายกว่าการบังคับให้มันเป็นนะนะการทาใจยอมรับเนี่ยง่ายกว่าการบังคับให้มันเป็นซึ่งมันยากมากนะเนี่ยก็วันนี้ก็ให้ผมพูดเรื่องความรู้สึกตัวก็พูดแล้วแหละเรื่องความรู้สึกตัวซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ อาจจะไม่เข้มข้นเหมือ น, นหลวงพ่อกคำเขียนแล้วผมไม่ได้มาพูดแทนแต่ว่ามาทําหน้าที่ช่วยเหลือท่านไม่เข้มข้นเหมือ น, นหลวงพ่อกราคเขียนได้พูดได้เทศได้สอนแต่ก็เป็นธรรมะผมกําลังพูดธรรมะเพราะฉะนั้นถะ้าว่าท่านผูน้ฟังที่ผิดหวังก็ลองพลิกอิดนิดนึงว่าอ๋ธรรมะนี่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 บันนีก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุอะไรก็ตามเมื่อบุคคลเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็เป็นทุกข์ก็เศร้าหมองเสียใจจิตตกไปตามๆกันเพราะไปยึดติดในบุคคลมากกว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงในหน้าบุคคลอย่าไปยึดติดก็ให้เราพิจารณาดูว่า ให้เราเลือกนะระหว่างอย่างตอนนี้สมมติว่ามีพระอริยเจ้ามาปราดกฏตัวบนเวทีกับหนทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าให้เลือกว่าอันไหนสำคัญกับตัวเรามากที่สุดระหว่างพระอริยเจ้าที่เราได้มองเห็นกับ การเรียนรู้เรื่องขนทางไปสู่ความเป็นพระราาิยเจ้าอันไหนมันสําคัญกับในตัวเรามากกว่ากันเห็นแค่พระริเจ้ า, าเราก็ชื่นใจแต่ไม่รู้จักขนทางไปสู่ความเป็นพระราาิยเจ้าแต่ถ้าเราศึกษาวิธีการปฏิบัติขนทางคือธรรมะไปสู่ความเป็นพระริยเจ้ า, าเนี่ยเนี่ยเราก็จะเป็นพระเจ้าซิเองได้นะ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 ดูแต่สิ่งภายนอกพูะเจ้าก็เรียกมาสอนอบัคกอลิเธอจะมาดูอะไรกับของนอเปือยของไม่เที่ยงสิ่งนอเปือยของตถาคตเล่าวัคกอลิไม่เห็นเราหรอกแม้จะจับชายจิวาของเราก็รับรองไม่เห็นเราตถาคต ธรรมะอยู่ในตัวเธอมีอยู่แล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไปวัตกุลิไปดูธรรมะในตัวเธอเองไปทําความรู้สึกตัวซะ <c oughs> จะได้เข้าถึงตถาคตไวอย่างนั้นเลยนะไปทําความรู้สึกตัวนะก็ต้องปฏิบัติไปทําความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือนะไปฝึกทําความรู้สึกตัวซะไปเจริญสติ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 ทำให้ต่อเนื่องสมหรับเสมอที่เราจะดีขึ้นทุกวันนะคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันแต่การเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ไม่อย่างเราเราทานข้าวเราต้องการความอิ่มทานข้าวเพื่อจะอิ่มความอิ่มจะเกิดขึ้ น, นนั้นมันต้องเริ่มจากคาแร ก, แรก ข้าวคำแรกเคี้ยวแล้วกลืนไปมันมีความอิ่มอยู่แล้วนะแต่ยังไม่พอเขาต้องคำที่สองคำที่สม <Yeah. S 1> บางคนยี่สิบอิ่มบางคนห้าสิอิ่ม <laughs> ความอิ่มเกิดขึ้นได้ทันทีเลย <Yeah. S 1> เมื่อเรากินข้าวไปทีละคำทีละคาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าใจร้อนสร้างเหตุคือความรู้สึกตัวไปก่อนนะ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 อยกจะสอนเรื่องการทําความรู้สตัวแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลงพันเทียนหน่อยนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกที่เคยได้ฝึกมาก็ถือว่าเื่อนก็อย่าไปคิดอย่าไปเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาเหตุเอาผลอะไรอาจจะเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาอาจจะสิ่งที่เราสิ่งที่เราทําเนี่ย บางทีเราไม่รู้ว่ามันคือประโยชน์สนหรับเราหรอกแต่เราไปคิดว่าเอ้นี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ไม่ไม่ใช่นี่ก็เลยไปคัดค้านไปก่อนรูปแบบก็คือรูปแบบเนี่ยมีไว้เพื่อจะฝึกแล้วก็ปล่อยวางกระทั้งรูปแบบจะสอนเรื่องการเจริสิแบบเคลื่อนไหวหตามนารุปเทียนในการยกมือ14จังหวะนะจะทำได้ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรนะ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 คือที่ต้องมีตัวช่วยเนี่ยเพราะว่าท่านจะมองไม่เห็นเวลาผมเคลื่อนไหวให้ดูท่านจะมองไม่เห็นอ่ออเาเขาี้มีไหมขเขาอีตัวมีไหมฮะอ่อีกสักตั ว, ตวก็ถือว่าเรามาช่วยหลุงพ่อทำหน้าที่นะไม่ได้มาทำอะไรอ่านั่ง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 ใช้เพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆในการเคลื่อนไหวของมือส4บสี่จังหวะการทำนั้นไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดทำแบบผ่อนคลายสบายๆทำเล่นๆแต่ก็าทำไปเรื่อยๆอ่าลองทำดูเอามือสองข้างวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างอย่าไปกลัวการเพ่งอย่าไปกลวดการกำหนด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 ยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายถทาไื้ที่มือขวาให้รู้สึกตัวนะเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาอมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ฐานในขั้นตะแคงคว่มมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่อก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 รู้สึกไปอาการเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยๆเวลามือมันเคลื่อนก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้รู้เฉยๆล้วนๆมันคิดแล้วก็อย่าไปสนใจมันให้มารู้สึกรู้กายชำนาญเวลาเคลื่อนไปก็รู้สึกไม่ต้องคิดอะไร รู้สึกเฉยๆแต่ไม่ห้ามความคิดแต่ก็รู้สึกตัวไว้มันคิดก็รู้ก็ทิ้งมันไปแล้วกลับมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวออกกายเคลื่อนไหวมาเป็นฐานใน้ิสติตั้งมั่นตรงนั้นก่อน เพ่งก็รู้มันหลงไปก็กลับมารู้ใหม่ไม่มีการบังคับในการเจริญสติในการตังามรู้สึกสตัวนะอ่านะขอบคุณมากนะครับ ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรผู้ช่วยของเราด้วยค่ะที่ทําให้การสาธิตนะคะเป็นไปได้โดยง่ายแล้วก็เห็นการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะค่ะและดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราทุกท่านก็คงจะมีห่วงเวลาแห่งความสุขและห่วงเวลาแห่งความรู้สึกตัวกันมากขึ้นนะคะขอให้เป็นกันทุกคนทุกท่านด้วยนะคะ